คำว่าความยึดถือก็ยึดถือ ด, ด้วยตันหากับทิฏฐิเป็นผู้เห็นความปลอดโปร่งพระมูนีเนี่ยนะมูนีก็คือพาฐานนั่นแหละเป็นผู้เห็นความปลอดโปร่งมีความว่าอมตะนิพานเรียกว่าความปลอดโปร่งคืออมตะนิพานนี้แก่ความสงบสังขารทั้งปวงนิพานเนี่ยไม่มีสังขารแม้แต่นิดเดียว ความสละคืนอุปธ e ิคือกรรมวัดวิปากวัดกิเลสวัดทั้งปวงความสิ้นตันหาความสำ ROC ตันหาความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตคำว่าเป็นผู้เห็นความปลอดโปร่งก็คือเห็นความปลอดโปร่งคือเห็นนิพพานนะเห็นที่ต้านทานเห็นที่เร้นเห็นที่พึ่งเห็นความไม่มีภัยเห็นความไม่เคลื่อนเห็นอมตะเห็นนิพพานเพราะฉะนั้นยังว่ามูนีทั้งหลายเป็นผู้เห็นความปลอดโปร่ง ละซึ่งความยึดถือด้วยตันหาและทิฏฐิเที่ยวไปผู้ที่เห็นพระนิพพานแล้วเนี่ยนะก็ไม่ยึดถือสังขารเหล่าใดาว่าเป็นของเราเนี่ยนะเที่ยวไปไม่ยึดถือด้วยอํานาจตันหาไม่ยึดถือด้วยอํานาจของทิฏฐิก็อย่างที่กล่าวว่ายึดถืออะไรมั่งไม่เศร้าโศกเพราะสิ่งนั้นเนี่ยนะแต่ในขณะเดียวกันถ้ายังไม่เห็นนิพพานจะบอกว่าตัวเองละความยึดถือไม่ไดไ้อย่างพูดอย่างนั้นไม่ได้ถ้ายังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นะถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานเนี่ย อย่า ก, กล่าวเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ยึดไม่ถือแล้วนะเรียกว่าบางคนเนี่ยยึดในความไม่ยึดเนี่ยนะก็ยึดมา ก, ก น, นะจริงๆแล้วยึดอะ่ะแต่ว่าอยากจะใช้คำว่าไม่ยึดเหมือนกันะ่ะจริงๆอายึดนั่นแหละนี่ในคาถาต่อไปว่าบัณฑิต ท, ทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในพบนั้นอะ่ะของพิสุผู้ประพฤติหลีกเร้นผู้คบที่นั่งอันสงัดว่าเป็นความพร้อมเพียงนะนะ ผู้ที่สามัคคีอย่างแท้จริงก็คือนะ่ะไม่แสดงตนในภพอ่ะนะตรงนี้สำคันมากนะไม่แสดงตนในภพอ่ะคําว่าไม่ภิกษุผู้ไม่แสดงตนในภพเนี่ยนะไม่แสดงตนในไหนไม่แสดงตนในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัชานมนุษย์เทวดาที่ไหนก็ไม่ไปแสดงตัวที่นั่นทั้งหมดอ่ะนั่นแหละจึงจะเป็นเป็นผู้หลีเกเล่นอ่ะน ะ, ะภาษาริบบทท่านนิเทศอธิบายว่าของผู้ไม่แสดงตพเนสดงตนในหนไกเปรตอสตว์เดรัชานมนวดาว่น พระเสขาเจ็ดพวกชื่อว่าผู้ประพฤติหลีเกเล่นพระอรหันต์ชื่อว่าผู้หลีเกเล่นคือพระเสขาทั้งหลายนะพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยกำลังประพฤติหลีเกเล่นอยู่พระอรหันต์ท่านเรียกหลีเกเล่นเรียบร้อยแล้วพระเสขาเจ็ดจำพวกเรียกว่าผู้ประพฤติหลีเกเล่นเพราะเหตุไรพระเสขาเหล่านั้นยังจิตให้หลีเกเล่นไอ้คาว่าลีเกเล่นก็คือ หดกลับถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นๆก็พระโสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลสกทาคามิมรักสกทาคามิผลอนาคามิมรักอนาคามิผลอรหัตตมรักเรียกว่าพระเสขเนี่ยนะอันพระเสขะเหล่านี้เนี่ยท่านาเรียกว่าลีเกร้นหดกลับถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากทุกอารมณ์นะถามว่าเป็นยังไง ก็คือย่อมประพฤติเป็นไปหมุนไปรักษาดำเนิน น, นะให้อัตภาพดำเนินไปยังจิตให้หลีกเล่นหดกลับถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองกิจจากอารมณ์นั้นๆในจักรสุทวานประพฤติอยู่เป็นไปหมุนไปรักษาดำเนินให้อัตภาพดำเนินไป ยังจิตหลีกเล้นหดกลับถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นนั้นในโสตทวารในขณะทวารชิวหาทวารกายทวารยังจิตให้หลีกเล้นหดกลับถอยกลับปิดกั้นข่มห้ามรักษาคุ้มครองจิตจากอารมณ์นั้นนในมโนทวารย่อมประพฤติอยู่เป็นไปหมุนไปรักษาไปดําเนินไปให้อัตภาพดําเนินไปเปรียบเหมือนข น, นไก่หรือเส้นเอ็นที่เข้า เปรียบเหมือนขนไก่หรือเส้นเอ็นเนี่ยนะที่ใส่เข้าไปในไฟย่อมหดงอม้วนไม่คลี่ออกฉันใดเนี่ยนะพระเสขะท่านพระเสขะท่านก็ฉันนั้นคือท่านต้องการหลีกออกจากทุกอารมณ์อะ่ะเอาเนี่ยทวารตาเนี่ยทำยังไงจะหลีกออกได้จริงจริงอะ่ะหลีกออกจากทวารหูจากทวารจมูกจากทวารลิ้นทวารกายและทะวารใจแต่ก็ไม่ใช่หลับอะ่ะลีกออกจากสิ่งเหล่านี้ได้นั่นแหละคือข้อปฏิบัติกําลังลีกเร้นเนี่ยนะ มันก็เปรียบเหมือนอะไรทํำยังไงที่บอกว่าเส้นเอ็นเนี่ยแย่เข้าไปในไฟนะงอกลับหมดเลยใช่ไหมพระริยะท่านพิจารณาอารมณ์แล้วงอ ง, งอกลับจากทุกอารมณ์เพราะในทุกอารมณ์เนี่ยเป็นของร้อนใช่ไหมรูปเป็นของร้อนเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมณ์เนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะร้อนเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในขณะเดียวกันรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะธรรมรมณ์เนี่ย เป็นของที่มีความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความที่ไรรำพันความไม่สบายกายเป็นที่ตั้งแห่งความไม่สบายใจเพราะจิตท่านจึงต้องการหลีกออกจากอารมณ์เหล่านี้ทั้งมวลเนี่ยนะเพราะพิจารณาทุกอารมณ์เนี่ยเป็นเช่นเป็นของร้อนเป็นต้นนะนะทุกอารมณ์เนี่ยเป็นเหมือนอะไรเหมือนโรคเหมือนฝีลูกศรเป็นของลำบากเป็นของเจ็บไข้เป็นผู้อื่นเนี่ยนะเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ก็เป็นของที่ไปยึดถือแล้วนํามาซึ่งทุกข์อ่ะถ้าถามว่าถ้าบุคคลที่สมมุติว่แย่ฝ่ามือเข้าไปในคมมีดเนี่ยนะถามว่าจะทําไงหดกลับหรือแหย่เข้าไปไปจับก็ต้องหดกลับใช่ไหมเมื่อใดที่เห็นว่าโอ้โหอารมณ์ทุก อ, อารมณ์นี่คือหนามคือสิ่งมีคมเนี่ยนะเพราะถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องผูกพันแล้วก็นํามาซึ่งความเดือดร้อนทั้งนั้นแหละพันก็จิตเนี่ยหอนอถอยกลับงอกลับ เว้นกลับเนี่ยนะของพิสุคือทั้งที่เป็นกัลยาณปุตุชนกับพระพิสุผู้เป็นเสขะเนี่ยนะพระพิสุที่เป็นผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านจะปฏิบัติอย่างนี้คือต้องการถอนจิตจากอารมณ์ทั้งปวงเนี่ยนะให้จิตเนี่ยงอกลับจากอารมณ์ทั้งปวงม้วนกลับถอยกลับจากทุกทวารแต่ของเราเนี่ยทวารไหนม้างโอยาวเลยนะสํา น, นวนว่าเหมือนกับดึงเชือกว่าวเลย น, เนั่นนะก็เรียกว่ า, ย, วายาวเลยนะ ลืมไปในลืมตาดูทวารตาก็เพลินไปในทวารตาใช่ไหมเห็นเพลินไม่ใช่เห็นดอกไม้ันนะดูยาวเลยนะดูสันนานเลยอะ่ะถ้าได้ยินเสียงเพลงเนี่ยนะก็วิจารไปกับเสียงเพลงเนี่ยยาวไปกับสิ่งนั้นเลยอะ่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาจริงๆอ่ะนะดึงจิตถอยกลับจากอารมณ์ทั้งพวงไม่ได้เนี่ยนะ ก็ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญารอบรู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนาวะนิสรณะของทุกอารมณ์นั่นแหละจึงจะถอยกลับจากอารมณ์ทั้งหลายได้คําว่าผู้คบที่นั่งอันสงบเนี่ยนะคือที่เป็นที่นั่งเรียกว่าอาสนะไม่ว่าจะเป็นเตียงตังเบาะเสือท่อนหนังเครื่องลาทําด้วยหญ้าเครื่องล่าทําด้วยใบไม้เครื่องล่าทยยาํ า, ท ด, า, าทด้วยฟางที่นั่งนั้นะว่างเงียบสงัด จากการเห็นรูปไม่เป็นที่สปายะจากการได้ยินเสียงไม่เป็นที่สปายะเนี่ยนะจากการสูดดมกลิ่นไม่เป็นที่สปายะจากการได้ลิ้มรสไม่เป็นที่สปายะจากการถูกต้องโพธาภะไม่เป็นที่สปายะจากการมะคุณห้าไม่เป็นที่สปายะเนี่ยนะคบผู้คบอยู่คบเสมอเสพเข้าไปเสพคบหาซ่องเสพซึ่งที่นั่งคือที่นั่งอันสงดอันนั้นเนี่ยนะก็หลีกเล้นจากอารมณ์ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะ หาที่เงียบเพื่อที่จะได้อะไรประพฤติหลีกเล่นจากอารมณ์ทั้งมวลนะ่ะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพนั้นว่าเป็นความพร้อมเพียงพร้อมเพรียงก็คือมาจากคำว่าสามัคคีเนี่ยนะสามัคคีนี่มีอยู่สามอย่างด้วยกันคณะสามคัคคีธรรมสามคัคคีแล้วก็อภินิพัตติสามัคคี อภินิพัติสามคัคคีเนี่ยนะข้อแรกก่อนคนะณะสามคัคคีคือชนัยภิกษุทั้งหลายเมตมากพร้อมเพียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเหมือนน้ําเจือด้วยน้ํานมแลดูกันและกันด้วยจักสุปเป็นที่รักอยู่นี่เรียกว่าคณะสามคัคคีมองกันด้วยเมตตานี่นะเข้ากันได้เหมือนน้ากับน้ํานมอย่างนี้เรียกว่าสามคัคคีด้วยหมู่คณะ ส่วนธรมมนนะธรมะสามัคคีเนี่ยนะธรรมะสามัคคีคืออะไรก็คือสติประธาน 4, สี่สมมติประธานสี่อิทธิบาทสีอินทรีห้าพละห้าโพชงเจ็อริยมรคมีองแปดธรรมะเหล่านั้นย่อมแล่นไปผ่องสายประดิษฐานด้วยดีพ้นวิเศษโดยความเป็นอันเดียวกันนะความวิวาทความขัดแย้งกันแห่งธรรมะเหล่านั้นย่อมไม่มีนี่เรียกว่าธรรมะสามัคคีนะสติประธานสมมติประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชงอริยมรคเนี่ย ประชุมการรู้นิพพานเหมือนกันนะนะสามะคีกันอย่างนี้เรียกว่าธรรมะสามะคีเนี่ยนะกุศลคมสามะคีโพธิปัจจะธรรมสามะคีกันส่วนอภินิพติสามะคีเป็นไนก็คือพิสูจนทั้งหลายแม้มากย่อมปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สปรินิพานความบกพร่องหรือความเต็มแห่งนิพพานธาตุของพิสูจนนั้นย่อมไม่ปรากฏนี้ชื่อว่าอภินิพติสามะคีอันนีพติสามะคีก็คือ พาหาันท่านดับขันพระรนิพานเนี่ยนะอันนี้สามะคีก็คือไม่มีการแสดงตนในภพใดแม้แต่หน่อยเดียวคําว่าในภพเนี่ยนะคือท่านไม่แสดงตนในภพอะ่ะคือพาหัน์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่แสดงตนในภพใช่ไหมคำว่าไม่แสดงตนในภพคือนรกเป็นภพของสัตว์ที่เกิดในนรกกําเนิดสตัตว์เดรัจฉานเป็นภพของสัตว์ที่เกิดในกําเนิดสตัตว์เดรัจฉาน เปรตติวิสัยเป็นภพของสัตว์ที่เกิดในเปรตติวิสัยมนุษสโลกเป็นภพของพวกมนุษย์เทวโลกเป็นภพของพวกเทวดาพันคำว่าบัณฑิตไม่แสดงตนในภพนั้นเป็นความพร้อมเพียงความว่าภิกษุใดปฏิบัติแล้วอย่างนี้คือปฏิบัติอย่างไงก็คือปฏิบัติหลีกเร่นเนี่ยนะหลีกเนออกจากอารมณ์ในทุกทวารด้วยเห็นโทษของอารมณ์ทุกทวารเนี่ยเสร็จแล้วก็ปฏิบัติ อย่างเงี้ไม่แสดงตนในนรกกาเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรติวิสัยมนุสโลกเทวโลกการไม่แสดงตนของพิสูนนั้นเป็นความพร้อมเพียงนีนะพระสารีบุตรไปแสดงตนอยู่ที่ไหนไหมตอนนี้นมีพระโมคคัลลานะพระอ น, นุพระมหากะสปะไม่ได้ไปแสดงตนที่ไหนทั้งนั้นแหละเพราะท่านกล่าวว่า การไม่แสดงตนในภพเนี่ยเป็นสาความสามัคคีว่างั้นการไม่แสดงตนของพิสูจน์นั้นเป็นความพร้อมเพียงข้อนั้นเป็นการปกปิดเป็นการควรเป็นการสมควรเป็นการอนุโลมการปฏิบัติยังไงที่จะไม่ไม่ไปแสดงตนในภพน่ะก็จะต้องอาศัยธรรมสามัคคีนะสามัคคีด้วยโพธิปักขิยธรรมขณะที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะเลิกแสดงตัวในภพได้ จะไม่ไปปรากฏตัวในภพ嘛นะของเราไม่รู้จะไปปรากฏตัวที่ไหนบ้างนะในคันในไขในเท่าใครหรือโอปาติกะเนี่ยนะไปปรากฏที่ไหนดีจนะังไยศอนขอในคันหรือขอในไข่หรือโอปาติกะหรืออะไรดีโอปปาติกะนะอะ น, นิพัติสามัคคีนะ อาพินิพพติสามัคคีแบบแม่ดับได้เหมือนกับเหมือนเหมือนเทียนที่ดับไปตอนนี้ได้ยิ่งแจวเลยนะหมดเรียกว่าหมดเรื่องหมดราวสทัทีหมดปัญหาสัทีหนึ่งอันนี้ไม่ใช่อันไนโดยมากซื้อเทียนมาเตรียมต่อไว้เลยเสร็จหมดแล้วนะจะได้จุดต่อแล้วมุนีเนี่ยไม่อาศัยแล้วในสิ่งทั้งปวงไม่ทําสัตตะสังขารให้เป็นที่รักไม่ทําสัตตะสังขารให้เป็นที่ชัง คือท่านไม่มีรักสักอย่างแต่ก็ไม่มีชังสักอย่างอย่างนั้นความครัมครวญและความห่วงแหนไม่ได้ติดในมุ้นีนั้นเหมือนน้ําไม่ติดในใบบัวฉะนั้นคือท่านไม่ได้รักอะไรสักอารมณ์หนึ่งไม่ได้ชังกับทุกอารมณ์ไม่รักทุกอารมณ์ไม่ชังทุกอารมณ์ท่านไม่มีการไปเสียใจในสิ่งนั้นไม่ห่วงแหนในสิ่งนั้น่ะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนน้าไม่ติดในใบบัวเนี่ยนะบริสุทธิ์อย่างนั้นแหละ มุนีไม่อาศัยแล้วในสิ่งทั้งปวงความว่าอายตนะ12เรียกว่าสิ่งทั้งปวงะนะตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้ น, นรสกายโภตาะใจธรรมรมณ์นี่เรียกว่าสิ่งทั้งปวงมุนีคือผู้มีโมนยธรรมทางกายวาจาและใจเนี่ยนะท่านเป็นผู้ไม่อาศัยสิ่งทั้งปวงไม่อาศัยด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิมุนีนีละความอาศัยด้วยตัหาสละคืนความอาศัยด้วยทิฏฐิ ไม่อาศัยคือไม่อิงอาศัยไม่ผัวพันไม่เข้าถึงไม่ติดใจไม่น้อมใจถึงออกไปสละพ้นขาดไม่เกี่ยวข้องซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านไม่มีอะไรไม่ใจของท่านไม่เกี่ยวข้องในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เกี่ยวข้องในรูปเสียงกลิ่นรถโพธิภพธรรมรมในสกุลคณะอาวาสในลาบยศสรรเสริญสุขในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะีฬาณปัจจัยเภสัชบริหาร ในการมาธาตุรูปธาตุอรูปธาตุในการมาพบรูปพบอรูปพในสัญญาพบอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาพเอกวโกระพบจตุวโกระพบปัญจโวการะพบเนี่ยในอดีตในอนาคตปัจจุบันในรูปที่เห็นเสียงที่ฟังกลิ่นรสโภทภะที่ทราบหรืออารมณ์ที่จิตรู้เป็นผู้กระทําให้ปราศจากเขตแดนกิเลสอยู่พันโมนีเนี่ยไม่อาศัยแล้วในสิ่งทั้งปวง ไม่มีการติดไม่มีการข้องด้วยตันหาด้วยทิฏฐิกับทุกอารมณ์เนี่ยนะนี่แหละพระอริยันเป็นอย่างนั้นคําว่าไม่ทําสัตตะสังขารว่าเป็นที่รักและไม่ทําสัตตสังขารว่าเป็นที่ชังก็ที่รักเนี่ยนะรักก็รักแบบรักสองอย่างนะคือรักในสัตว์อย่างหนึ่งรักในสังขารอย่างหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำให้เป็นที่รักเป็นฉนยสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ใคร่เจริญใคร่ประโยชน์เกื้อกูลใคร่ความผาสุข ใคร่ความปลอดโปร่งจากโยค่ากิเลสคือพ่อแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวลูกชายลูกสาวมิตรอามาตยติสาโลหิตบุคคลนั้นเรียกว่ามีสัตว์เป็นที่รักกันนะเช่นบางคนสมัยใหม่ก็เลยไปถึงรักหมาด้วยนะบางทีจะรักหมากับรักอะไรอีกเนี่ย น, นะบอกตายแล้วต้องไปเกิดเป็นลูกหมาตัวนี้แน่มัรักขนาดนี้งันันก็สังขารเป็นที่รักก็คือรูปเสียงเกลื่นรถโพธะ ทำให้เป็นที่รักนะเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโปรตพาบ้านช่องห้องหอเรือกสวนไรนาข้าวของเครื่องใช้นี่แหละเรียกว่าสังขารนันเป็นที่รักคําว่าเป็นที่ชังเนี่ยนะก็เป็นที่ชังก็แบ่งเป็นสองคือที่เป็นสัตว์กับเป็นสังขารสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ชังก็คือสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ใคร่ความเสื่อมใคราสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลใคร่ความไม่ผาสุขใคร่ความไม่ปลอดโปร่งจากโยคากิเลสคราเพื่อจะปรองชีวิตของบุคคลนั้นอันนี้เรียกว่าสังขารเป็นที่ชัง ก็คนจะมาทำลายเราอะนะคนนั้นเรียกว่าเป็นที่ชังละส่วนสังขารทั้งหลายอันเป็นที่ชังก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโพตภะไม่เป็นที่ชอบใจเรียกว่าสังขารอันเป็นที่ชังของไม่สวยทั้งหลายเป็นต้นเนี้นะของไม่ดีของไม่สวยของไม่งามก็ไม่ไม่ต้องการเนี่ยนะ